เมื่อวันพุธหนูพ่อไปตรวจร่างกาย follow up ที่ศิริราชทีใส่หน้าหนักเสพอะไรหายนะแต่โรคนี้ไม่หายขาดนะมันก็เป็นๆหายๆตอนนี้โอเคหมอบอกใช้ชีวิตปกติได้แล้ว <c oughs> ชีวิตปกติหงลงพ่ อ, อรื้เช้าๆตื่นมา เข้าห้องน้ำนะเมื่อค่อยมาศาลาใ ช, ใช้ชีวิตปกติ เ, าเ้าก็ไปที่โรงพยาบาลก็สบายสะดวกะอะง่หมอเขาช่วยดูแลได้ดีตอนก่อนจะเข้าโรงพยาบาลก็วาดภาพไว้ ว่าในโรงพยาบาลเขาคงเ ค, เคร่งเครียดกลัวเชื้อโควิดเข้าไปแล้วเขาเฉยเฉยนะไม่ใช่ชีวิตปกติไม่ได้ตื่นเต้นพวกรู้เรื่องไม่ค่อยตื่นเต้นพวกฟังข่าวลือตื่นเต้นเยอะเครียดตอนนี้หลงพาอก็เสียง เสียงคขาชวข่วคือละหูก็ได้ยินแล้วคุยกับพวกเรารู้เรื่องมีอยู่ช่วงหนึ่งต้องคุยก็ได้จิตเห็นเราว่าปากประงับปะงับต้องเด า, เาว่าต้องการสื่ออะไรงเราอย่าคิตื่นนะคิดตื่นเกินไปเครียดไม่มีประโยชน์เลยหมอไทยเก่งรนะบบสารนาสงของเราเก่ง ฝรั่งยังสู้ไม่ค่อยได้เลยของเราเหนื่อยกวเยอะเลยเราผ่านโรคระบาดสายแรงมาเยอะแยะเลยนะโรคระบาด ท, ที่ทําให้พวกเราเดือดร้อนได้มากๆากสมัยก่อนสงครามโลกอย่งกาลาโรคระบาดมาถึงทางอายุธยาทางอะไรเนะี่ยก่อนนั้นก็ฮิวการระบาดการที่สานกันอนะไรอย่างนี้ย หลังๆนี้หมอเราเก่งไม่ค่อยมีปัญหาแล้วแต่พวกเราก็ต้องกันตัวเวลาเราเข้าที่ประชาชนเยอะๆคนเยอะๆใส่แมสไหมปลอดภัยกว่ามีอยู่ประเทศหนึ่งนะขอไม่เอย่ยชื่อเดี๋ยวจะว่าดูถูกชาติพันธ์มีมนุษย์ ผู้หญิงอาวุโสเราไม่อยากเรียกมนุษย์ป้ามันเย็ดยำนะเย็ดยำเพศและวไหวมีผู้อาวุโสสตรีท่านหนึ่งไปหาหมอไม่ค่อยสบายหมอบอกว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคอะไเนี้ยไวรัสตัวเนี้ยไม่เชื่อกลับมาบ้านเลอาการนไม่เด่นชัดเที่ยวตะเวนไป วันอาทิตย์ก็ไปเข้าโบสถ์รนะ้องเพลงในโบสถ์มีเวลาก็ไปช็อปปิ้งไปเลยนะ่ยอว่าตัวทีหลังจ่เป็นเป็นจริงๆอย่างที่หมอสงสัยนะกระจายไปเยอะๆแล้วไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนบ้างแนละ้วตามตามสกัดเนี่ยไม่ถูกแล้ะความดื้อของคนคนเดียวเนี่ยนะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น มหาศาลส่วนรวมเสียหายงั้นถ้าเรารู้สึกไม่ปกตินะอย่าเพิ่งไปวุ่นวายที่อื่นไปหาหมอมาที่นี่ก็นะมีแมสนะมีแมสให้ใช้แต่มันก็มีจำกัดนะไปซื้อซื้อใหม่ไม่มีแล้ว ก็มีอยู่เท่าที่มีเอามาวางให้พวกเราที่หาไม่ได้ใช้ที่นี่นะบางคนชิดการไกลคนเอาไปใช้ที่บ้านด้วยอย่างนั้นแจกไม่ไหวอ่ะนะมันของมันหาไม่ได้ก็มีให้ใชนะ้แต่ว่ามีให้เท่าที่มีแหละหมดแล้วก็แล้วกันไปช่วยตัวเอง ทางเราเขาเรียกใ้แผ่นนี้ว่าอะไรรู้ไหมแผ่นที่ปิดผ้านาไม่จบเรื่องหนึ่งวันนี้มีพระพุทธรูปแจกเกือบเกือบร้อยวงคคนไหนที่ยังไม่เคยได้พระพุทธรูปจากที่นี่นะวันนี้ถ้าต้องการมาเอาได้ เดี๋ยวตอนที่หลวงพ่อคุยกับพระเนี่ยพวกเรามาเอาเตาชิวนะแล้วก็หยิบแจกเลยไม่ต้องเลือกอนะยกเว้นแต่เขาอยากได้องค์เล็กๆเราให้องค์ใหญ่เกินไปนะขอขอเล็กหน่อยอะไรย่างี้นะแต่ว่าองค์โน้นสวยไม่สวยไม่คนหนึ่งเลือกห้านาทีนะไม่ต้องทำอะไรละเสียเวลานะ อธิษฐานนะพระองค์ไหนสมควรกับเราขอให้ได้องค์นั้นเกิดได้มาแล้วหน้าตาพี่ลึกเหมือนเราก็านะสมควรกับเรานะมีสวยมากบ้างน้อยบ้างนะเดี๋ยวตอนหลวงพ่อสอนโยมเสร็จนะใครที่ต้องการก็ามาเข้าแถวนะเกือบเกือบร้อย หรือจะเข้าสองแถวเลยก็ได้นะพระก็ช่วยกันแจกสักสองแถวกำลังกันสักห้าแถวมันมากไปไม่มีที่รู้สึกตื่นเต้นไหมถูกปลุกสัญชาตญาณนเ น, เนี่ยวิญญาณเปลดเริ่มสิงนะ <c oughs> <c oughs> การภาวนามันไม่มีอะไรหรอกเ น, นี่ยรู้ทันปัจจุบันของเราไป ฟังเรื่องพราแล้วชักกระสับกระสายจะต่อชิวนะจะต่อทันไม่ทันต่อแล้วจะได้สวยไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะใจกระสับกระสายก็รู้เอาถ้าถึงชิวเราได้ไม่สวยเราก็เดินออกเลยวอล์กเอาประตวงนะไม่รับไม่ว่าไม่ว่ากันเอ้าพวกอยู่ววาดส่งกันบ้าน นำมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะใช้ทำในรูปแบบคือการนั่งสมาธิแล้วก็ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่นะมีบางครั้งที่ลมหายใจมันหายใจเข้าออกไปโดยอัตโน ม, มัติเหมือนเรามองเห็นว่าคล้ายๆกับว่าเป็น ว่าวติดลมบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้แล้วก็หลงเพลินไปกับมันสักพักหนึ่งมันก็หายไปนะคะพอภาคหลังนั่งสมาธิอีกอยากให้มันเป็นอย่างนั้นรู้สึกว่าโลภเพราะว่ามันยังติดสุขอยู่แต่ว่ามันไม่เป็นค่ะแล้วก็มันไม่ได้เป็นเพราะอยากจริงอยากยี่ไม่เป็นหรอกเวลานั่งสมาธิก็มีภัตตที่เข้ามากระทบโดยเฉพาะเรื่องเสียง จากรอบข้างอะค่ะก็เมื่อวานนี้มีในเรื่องของเสียงข้างนอกที่เป็นเสียงฝีเท้ายักเงินก็มีความอยากที่จะลุกไปดูก็เลยลุกไปดูพอเห็นว่าเป็นตัวเงินตัวทองก็ตื่นเต้นลูทันค่ะค่ะใ่ว่าหลวงพ่อเนี่ยเงินทองเยอะมากเลยเดินกินเยอะเยอะ <laughs> ไปทำเอานะแต่ใจมันยังโลภอยู่มันติดความสุข ร, รู้ทันเอานะแต่เราติดความสุขเราไปไหนไม่ได้มีครูบาอจารงหนึ่งนะท่านเคยสอนหลวงพ่อหลวงปู่คาพันธ์หลวงปู่คำพันธ์ท่านดังทางทำพระเครื่องหลวงพ่อไปหาท่านไปนั่งรอคนเช่าพระเครื่องมาให้ท่านเป่าให้เราก็รอไปเสร็จแล้วท่านก็หันมาหาหลวงพ่อนะ แท่นมองหนา้าพระท่งนก็เทศสอนเลยว่าเวลาคนเราเดินทางไกลนะจะไปหาแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยเดินไปในที่ร้อนที่แห้งแล้งกันดารเนยนะไปเจอต้นไม้ใหญ่มีร่มเงาอยู่ต้นหนึ่งแล้วก็พอใจแล้วล้วก็นอนอยู่ที่ต้นไม้นะันนะมันก็เลยข้ามไม่พ้นทะเลสายเนี้ยนะไปติดอยู่ตรงเนี้ยการภาว น, นาก็จะไปติดในสุขของสมาธิ กราบนวัต ก, การพร ะ, าพ อ, ะอาจารย์ลหลว ง, งพ่อค่ะ <Yeah. S 2> อาจารย์หลวงพ่อก็เท่าลงปู่ดูลย์หลวงพ่อค่ะขอกลับหลวงพ่อเมตตาช่วยชี้แนะแล้วก็ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีขึ้นเยอะเลยรู้ตัวเปล่าตัวแต่บางทีเวลาที่ดูอะค่ะดูมากๆรู้สึกสมาธิมันไม่พอแล้วมันไม่พอกลมาทําสมถะเกิดไหวไหวที่ ท, ที่กลางอกอะค่ะแล้วก็ เลยกลับไปนั่งทำสมาธิที่ไหวๆกลางอกนะ่ะต้องสมาธิพอนะถึงจะเห็นไม่มีสมาธิไม่เห็นหรอกนะแต่ถ้ามันไหวๆเราดูไปแล้วเน็ดเหนื่อยอะไรเี้ยอันนี้ทำสมาธนะิไม่มีที่พังอื่นเลยถ้าเห็นตัวนี้แล้วเนี่ยไหวอยู่ในอกเนี่ยวัตถสงสารมุนอยู่กลางอกนี่แหละ รู้สึกไหมเดี๋ยวมันก็หมุนหมุนว่เป็นสุขขึ้นมาหมุนเป็นทุกข์ขึ้นมาใ ช, ใช่ไหมเดี๋ยวเป็นกุศลไม่นากุศลมันหมุนเวียนอยู่กลางอกนี่แหละห้ามไม่ได้แก้ไขไม่ได้มันเป็นอนัตตารู้สึกไหมหนูภาวนาได้ดีแล้วนะนี่ถ้าเราเห็นอย่างเนี้ยมันจะเห็นทั้งวันทั้งคืนเลยเห็นเป่าบางทีมันก็ทรมานมันก็ใช่มันจะทุกข์ที่สุดเลยที่ที่เราจะช่วยตัวเองได้ก็คือสมาธิ ทำสมาธิขึ้นมาจิตสงบตั้งมั่นมีความสุขดีกลับไปดูมันจะเห็นไหวๆแต่ใจไม่เสะเทือนใจจะสับแต่ว่าเห็นไหวๆนี่แหละเราก็เดินปัญญาไปตรงเนี้ยมันสอนธรรมะเราทั้งนั้นนะรู้อย่างว่ากุศลอกุศลเกิดขึ้นที่จิต น, นี่เองเกิดขึ้นกลางอกนี่แหละมรรคผลก็เกิดที่กลางอกนี่แหละแหวกเข้าแหวกออกตรงนี้แหละหน้าที่เราก็ดูไปเรื่อยๆ พอมันทุกข์มันทรมานมากทนไม่ไหวกับทำสมถะสมถาเลยทิ้งไม่ได้การภาวนาพอถึงขั้นละเอียดเห็นสภาวะที่ไหวหกลางอกแล้วเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งสมถะละไม่งั้นใจไม่มีที่พึ่งเหนื่อยนะเหนื่อยเลยเหนื่อยมากจะรู้เลยโลกนี้ทุกข์จริงเพราะใจมันทุกข์สัทีเดียวเนี่ยนะ ไปอยู่ที่ไหนก็ทุกหมดนะไปอยู่ในเทวโลกตัวนี้ก็ยังอยู่ตัวไหวๆเนะี่ยไปอยู่ในพรหมโลกเป็นพรหมนะตัวไหวๆนี้ก็ยังอยู่ื่าไม่มีภพใดๆที่ว่าเมื่อเป็นภพแล้วไม่เป็นถูกเนี่ยใจมันจะเห็นละเอียดลึกซึ้งลงไปเงี้ยดีที่หนูฝือใช้ได้นะใช้ได้ดีทีเดียวละบ้านอยู่ที่ไหนเนะี่ยอยู่ตรงบางนาค่ะอยู่บางนา ก็ฟัง u t u b e หลวงพ่อไปนะมีอะไรติดขัดก็ามาถามถามหลวงพ่อไม่ได้ถามผู้ช่วยสอนคุณแม่คุณเมื่อนะี่จะน้าหาตัวยากหน่อยจนะน้าการนักษิการหลวงพ่อครับก็ใช้พุทโธกับลมหายใจเป็นวิหารธรรมนะครับก็ มีสติบ้างไม่มีสติบ้างก็พยายามฝึกนะก็เดินจงกรมบ้างแล้วก็อาศัยสนม์เป็นหลักนะครับเช้าเย็ย น, นก็ไม่ทราบว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับฝึกไปเรื่อยๆนะใจมันเริ่มมีกำลังขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมใจมันมีแรงขึ้นมานรเราก็เดินตัญญาไปเห็นร่างกายไม่ใช่เราเห็นจิตใจไม่ใช่เราเดินตัญญาไปพอเหนื่อยก็กลับมาทาสมาธิใหม่ ใช้ได้นะอมอินูนั่นถอดหน้ากากสิพ่อจะดูหน้าหน่ย อ, อ่ะิดหน้าไปสวยกันบ้านเสร็จละอ่ะไม่เอาการ ม, มัณการเจ้าค่ะตอนนี้มันก็บางทีมันก็เหมือนภาวนาดีบางทีก็เหมือนพอวน า, า, มนวนาไม่เป็ น, นเจ้าค่ะแล้วก็ยังมีความดิน้นลนมันยังอยากมันเยอะอยู่นี่แหละปัญหาของเราใจยังฟุ้งอยู่ สมาธิยังไม่พอเพระฉะนั้นทุกวันต้องแบ่งเวลาทําในรูปแบบนะทําใช้กรรมฐานอะไรการทําในรูปแบบดูร่างกายหายใจค่ะทําให้หลวงพ่อดูวางไม้เดี๋ยวจิตรวมไม้หล่นเดี๋ยวบังคับจิตเริ่มต้น อ, อย่างนี้ผิดนะใช้จิตปกติยิ้มหวานเออเนี่ยใช้ใจปกติอะไรอยงี้ ใจที่ปกติมันผ่องใสประพัดสอนสว่างสวัยสบายจิตโดยธรรมชาติมันผ่องใสอยู่แล้วลกิเลสยังอยากปฏิบัติก็ทำให้จิตเศร้าหมองจิตอึนาดน้น่นเราใช้จิตปกตินี่แหละมันเจริญปัญญาหลงแล้วรู้ไหมหลงไปคิดนะ่ะรู้ไหมนั่นแหละหลง หัวจบลงเลยหลงคิดนะเนี่ยหลงคิดอีกแล้วรู้ไหมจําตรงนี้ไว้จะให้ดีนะแต่ไม่ใช่เพื่อจะไม่หลงนะยังไงก็หลงแต่พอเราหัดดูเฮ้ยหลงแล้วหลงแล้วหลงแล้ ว, ลล ว, ลลวไปเรืเ่อยๆเราไปพอจิตหลงปนะุ๊บสติจะเกิดเองเลยแล้วทันทีที่สติเกิดสมาธิจะเกิดนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเลยเพราะว่ามันรู้ทันจิตที่หลงนะจิตก็ไม่หลง จีก็ตั้งมัน่นต้องฝึก อ, อีกนะฝึกเบสิกให้แข็งแรงแลาบระลึกพระคุณหลวงพ่อที่กรุณาให้โยมได้มาพักปฏิบัติที่นี่โยมพุ้งซ่านมากค่ะไม่ได้เป็นพระคุณว่าคืนหรอกโยมจับฉลากได้โยมพุ้งซ่านมากแล้วโยมมีเครื่องกังวลมากเวลาอยู่บ้าน เกี่ยวกับการทำงานบ้านทั้งวันเลยค่ะทำให้กับลูกและทำให้กับตัวเองอทำให้มีไอตัวสะตัวเล็กตัวใหญ่วิ่งไปวิ่งมาในจิตโยมทั้งวันเลยค่ะอันนั้นแห ล, ละเราใช้เป็นกรรมฐานได้น ะ, ะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำงานบ้านเป็นแม่บ้านดูแลลูกดูแลสามีอะไรเงี้ยสามีก็เป็นอัลไซเมอร์ด้วย ดูแลทุกอย่างเองเลยทั้งตัวบ้านทั้งเสื้อผ้าทั้งอาหารนะเขาไม่รู้สึกว่าเป็นภาระนะมันเป็นเครื่องอยู่ของจิตวนะาดบ้านเนี้ยระลึกรู้กายระลึกรู้ใจซับผ้ารู้กายรู้ใจนะทำอาหารรู้กายรู้ใจพอนาะนจนเข้าใจธรรมะเลยนะด้วยการทำงานบ้านนี่แหละ แต่ถ้าเราทำงานบ้านไปแล้วก็เศร้าหมองไปแหมมันมีแต่คนทำสกปรบกเราทำสะอาดดูคนเดียวอะไรอย่างนี้นะอีนี้โมโหโมโหเราก็ถ้ามันโมโหจริงก็ห้ามมันไม่ได้รู้ว่าโมโหเอาแต่จะบอกโยมว่าการทำงานบ้านเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ดีมากๆเลยดีมากๆเลยเวลาเราทำงานบ้านนะเราเหนื่อยเรารู้ร่างกายมันเหนื่อย ใจมันไม่พอใจอะไรเงี้ยเรารู้นะทําพอบ้านเราสะอาดเราสบายใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขคนอื่นมาทําบ้านเราสกปุยแล้วโมโหรู้มาทําสกปุล้โมโหรู้วโมโ ห, โมโ ห, โมโหอะไรเงี้ยเพราันสามารถที่จะดูกลดูใจได้ทั้งวันเลยการทํางานบ้านเนี้ยตอนหลวงพ่อเป็นนักศึกษาไปบวชที่วัดชนระทานนะมีหลวงตาวงหนึ่งอยู่กูติดติดกันอนะ อยู่หน้าวัดเลยอยู่ข้างเมนพระอื่นเขาอยู่หลังวัดนะเจ้าคุณปัญญาหูวประชาเนะี่ยถ้าให้หลวงพ่ออยู่ปฏิตรงนี้เลยล้วก็เห็นโลงตาองนี้นะตั้งแต่เช้าจนเย็นนะไม่ทำอย่างอื่นไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมมีไม่กวาดสองงานนะเดินกวาดวัดนะจากหน้าวัดไปท้ายวัดท้ายวัดมาหน้าวัดนะกวาดไปกวาดมากวาดทั้งวันเลย หลวงพ่อสงสารท่านนะว่าโอ้ยท่านทำไมงานเยอะจังพระอื่นนะถึงเวลาเขาไปนั่งสมาธิที่ท้ายวัดมีศาลานั่งสมาธิอยู่นะท่านไม่ได้ปฏิบัติเลยก็ไปบอกท่านบอกหลวงพ่อครับไปนั่งสมาธิกันดีกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะมาช่วยกวาดท่านบอกไม่ปไปไล่คุณบวชชั่วคราวคุณไปนั่งไปผมกวาดเองท่านก็กวาดอยู่นะั่นนะ มีปอดข้างเดียวด้วยนะตัดปอดไปอันนึงแล้วก็ท่านทาอยู่ น, นนะตอนหลวงพ่อพานาเป็นนะหลวงพ่ออาบอายขายหน้ามากเลยแทบจะเคหัวตัวเองเลยนะโอ้ที่จริงท่านปฏิบัติอยู่ทั้งวันเลยเราแหละปฏิบัติไม่เป็นไ ป, น, ไปนั่งยงี้นึกว่าปฏิบัติหรอท่านกวาดวัดนะั่นแหละท่านปฏิบัติเพราะงั้นโยมขวาดบ้านให้เป็นการปฏิบัติให้ได้เนาะ อยากให้เป็นเรื่องเศร้าเสียใจแต่เป็นเรื่องนี่แหละกำลังปฏิบัติกนะวาดขยะไปด้วยกวาดกิเลสไปด้วยคือรู้ทันใจไปด้วยนะเพราะก่ามีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่าท่านไปอยู่กับหลวงปู่ ม, มั่นที่บ้านผือตอนนั้นท่านเป็นพระเด็ ก, เ, ดกเป็นพระหนุ่มท่านกลัวหลวงปู่ ม, มั่นมาก ดบอกว่าตอนบ่ายๆต้องคอยฟังเสียงหลวงปู่มั่นจะโยนรองเท้าลงจากกุฏิหนังตุ๊บอันนี้คือสัญญาณเริ่มกวาดวัดก่อนหน้านั้นทุกอง้องทําสมาธิเดินจงกรมเงียบๆจะมากวาดมัดชงช่างรบกวนคนอื่นไม่ได้แต่พอได้ยินว่าหลวงปู่มัน่นโยนรองเท้าลงมาท่านจะลงจากกุฏิแล้วทุกคนจะกว้าไม่กวาดไปกวาด คราอาจารงนี้ท่านก็คอยดูว่าหลวงปู่มั่นจะกวาดไปทางไหนหลวงปู่มั่นไม่มีที่กวาดประจําท่านจะกวาดประกบลูกศิษย์เป็นสายๆไปนะองนี้กลัวงั้นจะคอยดูยังไม่กวาดเห็นหลวงปู่มั่นมาทางนี้ท่านไปกวาดที่อื่นเนะนี่ยหนีอย่างนี้ทุกวันเลยวันหนึ่งก็เห็นหลวงปู่มั่นไปทางโน้นแล้วกวาดสบายใจเลยนะกวาดกวาดอยู่เนะียได้ยินเสียงกวาดตามหลังมา หันไปดูเป็นหลวงปุ่มัน่นะท่านกวาดตามมาแล้วตกใจนะรีบกวาดองค์อลุยใหญ่น่าจะหนีหลวงปุ่มั่นก็กวาดตามนะแต่ว่าแบบโกงหน่อยๆก้าวไปสามก้าวกวาดเทียงสามก้าวกวาดทีใครจะชนะ <c oughs> สุดท้ายเข้าถึงตัวท่านหลวงปุ่มั่นมาถึงตัวท่านเลยนึกว่าหลวงปุ่มั่นท่านจะจ ะ, จะดุอะไร ถ้าท่านขึ้นชื่อเรื่องดูพ ร, กรากฏหลวงปมันไม่ดูหลวงปู่มั่นก็สอนท่านพระน้อยพระน้อยพระหนุ่มพระน้อยกวาดตาเหมือนถึงปวาดไม่กวาดเนี่ยแะกวาดตากวัดพื้นเนียกวาดตาเนี่ยต้องค่อยๆกวาดมันถึงจะสะอาด ร, รีบร้อนนะมันไม่สะอาดหรอกการปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันค่อยๆดูค่อยๆสังเกตค่อยๆทําไป ถึงจะเข้าสู่ความสะอาดหมดจดได้นะท่านมาสอนแล้วก็พากับสององค์ก็าเลยพากันกวาดวัดไปด้วยกันได้นะไม่หนีคราวนี้เพรานันะจริงๆการขวาดนะเขาเป็นการปฏิบัตินะการปฏิบัติทำจะไปกลุ้มใจไอตัวที่ทําให้ทําความสะอาดพัแล้วกลุ้มใจนะคือความคิดของเราเองทําไมคนอื่นไม่ทํา ไม่คนอื่นเอาเปรียบเราไหมเนี่ยความคิดตัวเนี้ที่ทำให้เราเศร้าหมองไม่ใช่การทำงานกวาดบ้านถูบ้านทำให้เราเศร้าหมองความคิดของเราเองทำให้เราเศร้าหมองดะงนั้นเราก็ระวังคอยรู้เท่าทันใจของเราไว้แล้วพอเราชำนาญต่อไปเราจะเหมือนหลวงตาที่หลวงพ่อเล่าตะเคี้ยกวาดจนไม่รู้จะกวาดอะไรก็กวาดอีก กวาดจนสะอาดแล้วสะอาดนี้ก็กวาดไปเรื่อยที่จริงคือท่านทำกรรมฐานกรรมฐานประเภทนั่งก็งั้นั้ น, น, นใครเครเขาก็ทำกรรมฐานที่เคลื่อนไหวทำงานได้นี่เก่งจริงอพอสมควรแก่เวลานะ